เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตอนชัยจันทรัสุภแสงคลิกใจให้มาตรงกัน TV, ที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5เุมกะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์เรดิโอนะครับทาง FM 89.5 m มแเมกะเฮิร์นะครับอยู่กับบอกรมิงพรชัยจันทราสุประแสประจาวันอคารที่16กนะครับกับกาคม2อ6 2นะครับเป็นวันจุดนัครัตะเลิกนะครับก็น่าจะสบายๆ บ, บางคนพรุ่งนี้ยังหยุดอยู่นะครับแต่บางท่านก็พรุ่งนี้ก็ทำงานเอาเป็นว่าจะทำหรือไม่ทำก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนะครับวันนี้พี่มิงมีเรื่องเกี่ยวกับ ฟีดแบค180กับการตอบโจทย์ Govertex นะครับเขาบอกว่าเทคโนโลยี Technology, ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยกำลังเข้ามามีบทบาทในการเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆให้กับทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับเอกชนชุมชนเมืองประเทศมากขึ้นเป็นลำดับนะฮะและก็ถูกจับตามองว่าจะเป็นจิ๊กซอ์ที่จะเข้าไปเปลี่ยนระบบการให้บริการภาครัฐอย่างสิ้เนเชิงหนึ่งในจานวนนั้นก็คือฟีดแบ็กหนอองศานะฮะ รเนะเป็นสตาร์ทอัพดนะิฟเทคนีดิฟเทคภายใต้การนำทีมของยงยุทธทรงสริรินะทรงสิริเดชนะอดีตมือปืนรับจ้างไ c r ค s o f t ที่ผันตัวมาเป็นสตาร์ทอัพ ที่ใช้งานวิจัยเป็นจุดแข็งที่สร้างความแตกต่างด้วยการสร้างห้องปฏิบัติการและทีมวิจัยมาพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่สามารถวิเคราะห์และก็ประมวลผลตัวอักษรข้อความวิดีโอภาพเสียงที่เกิดขึ้นให้หน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าของธุรกิจนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้นะครับยังสามารถนําสิ่งสะท้อนในโลกโซเชียลมีเดียมาวิเคราะห์หาเทรนหรือป้องกันปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือวิเคราะห์ความเห็นเหล่านั้นว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรเกี่ยวข้องอย่างไรกับแบรนด์เกี่ยวข้องอย่างไรกับคู่แข่งและเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในเชิงลึกแล้วนําความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้จัดการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยําในระยะเวลารวดเร็วที่ผ่านมานะครับได้เข้าไปมีบริการ ให้แก่หน่วยภาครัฐหลายแห่งเช่นกสทชกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์นะครับทั้งนี้นะครับเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเนี่ยแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผลแต่การประเมินข้อความข้อคิดเห็นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาการนําเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาช่วยแปลผลและสรุปเป็นข้อมูลออกมาเนี่ยภายในระยะเวลาอันรวดเร็วทำให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 2ปีที่ผ่านมานะครับภาครัฐพยายามผลักดันโปรแกรมต่างๆออกมาสนับสนุนสตาร์ทอัพรวมทั้งการเปิดตลาดภาครัฐเพื่อเป็ น, นกลไกสำคัญในการเร่งการเติบโตขณะเดียวกันนะครับก็ดึงนวัตรกรรมจากสตาร์ทอัพเข้ามาตอบโจทย์การปฏิรูปภาคราชการพร้อมกับการปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ feedback 180เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่ได้รับอนิสงจากนโยบายเหล่านี้เลยนั่นเองนะครับสตาร์ทอัพต้องเข้าใจและรู้ว่า ใช้ประโยชน์จากมาตรการรัฐที่ออกมาได้อย่างไรเราเริ่มต้นจากการขอทุน NIA จากโครงการคูปองนวัตกรรมต้องเขียนโครงการเข้าไปนำเสนอและทำให้เสร็จตามเป้าหมายเพื่อรับเงินสนับสนุนซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับไม่ใช่เรื่องเงินทุนแต่เป็นการทำให้บริษัทมีเครดิตและมีเรื่องเล่าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นสามารถนาไปดึงคนเข้ามาร่วมงานในหลายมิติทั้งทีมงานพาร์ทเนอร์ร่วมวิจัยลูกค้า เพราะเขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่จะเกิดประโยชน์กับเขายังไงนะครับเคล็ดลับความสำเร็จของสตาร์ทอัพดิฟเชคมีอยู่3 3องค์ประกบอบ อ, องค์ประกอบหลักด้วยกันขึ้น 1. ธุรกิจต้องเป็นเทคโนโลยีอาจจำอาจทำา Product หรือบริการขึ้นมาเหมือนกับ o o g l e f ฟีส b บ o k นะฮะประมาณนั้น f a c e b o o อะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะสสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาสามารถนาไปใช้ได้วงกว้างอย่างรวดเร็วเพื่อเกิด และให้สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดและ3มี b u s ีบิสเนสโมเดลที่แตกต่างหรือที่เรียกว่า disrupt model ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืนในระยะยาวนะครับเป้าหมายของ Feedback 180ไม่ใช่แค่การให้บริการในประเทศแต่เป็นการขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีเข้าไปช่วยหาข้อมูลแก่ลูกค้าเพื่อวางแผนให้บริการการทาตลาด เป็นการสร้างแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการบริการลูกค้าที่เหมาะสมกับการบริการปัจจุบันนะครับโมเดลของบริษัทคล้ายกับ Microsoft ใช้พาร์ n เนอร์และวิจัยเป็นตัวนำซึ่งคล้ายกับซึ่งคล้ายกันรวมทั้ง IBM แล้วก็ g o o g l e เราไม่ได้ทำแค่ซอฟต์แวร์เพราะใครก็ทำได้แต่เราต้องทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ในเวลาอันรวดเร็วซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการนาองค์ความรู้นั้นมาเป็นต้นทุน แล้วหาแนวร่วมเพื่อทำงานวิจัยเชิงพาณิชย์ให้เสร็จภายในระยะเวลา 3-6 ถึงเดือนนะครับซึ่งเป้าหมายที่สำคัญของฟีดแบ a c k 180ภายใน2ปีต่อจากนี้ก็คือการเป็นยูนิคอร์ที่มีมูลค่ามาก บริษัทมากกว่า 1,000 ล้านดอนลล า, าร์สหรัฐและในปี2566จะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นฝันก็แล้วกันเป็นฝันเราก็ต้องรอดูว่าสิ่งที่เขาฝันจะเป็นจริงได้หรือไม่จะเป็นจริงหรือไม่จริงอยู่ที่การลงมือทาแน่นอนครับพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายาก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 rmuut.ac.th คุณ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 บริษัทในสหรัฐสามารถกลับมาค้าขายกับหัวเว่ได้อีกครั้งแล้วนะครับกว่า6สัปดาห์นะับเป็นช่วงเวลาที่มืดมนพอสมควรสําหรับแฟนๆหัว w ว่ยหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้สั่งแบนโดยประกาศขึ้นบัญชีดําใน Entry List ส่งผลให้ทางหัวเว่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีที่สำคัญได้หลายหายอาทิ Google Service Intel เทลควอดคอมอและอีกมากมายนะครับ แต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับในงานประชุมสุดยอดผู้นำ G 2 0 0พเอ่อ G ศยไม่ใช่ G เอสือผาขอฮนะ G 2 0ณเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นสองผู้นำของชาติมหาอำนาจอย่างสีจิ้นผิงนะครับประธานาธิบดีสหธารณรัฐจีและโดนัททัมประธานาธิบดีสหรัฐได้มีโอกาสนั่งพูดคุยเจรจาในเรื่องการค้ากันโดยมีกรณีการแบนหัเวยเนี่ยเป็นหนึ่งในหัวข้อใหญ่นะครับ ผลการเจรจาก็คือ US Company, Company can sell their ลแต่อุปกรณ์ชูหัวเหรือบริษัทในสหรัฐสามารถกลับมาค้าขายกับห u ว w e i ได้อีกครั้งประกาศโดย d r นัลด์ทรัต่อหน้าผู้สื่อข่าวทั่วโลกนะครับรออรยอมรับว่าหลังการสั่งแบนนั้นหลายบริษัทในสหรัฐมีเสียงตอบรับที่ไม่พอใจเท่าไหร่นัก อย่างไรก็ตามนะครับหเวยยังคงมีชื่ออยู่ใน Entry List ซึ่งจะมีการพูดคุยเรื่องนี้อีกในวันอังคารถัดมานะและถือเป็นการจบสงครามนี้อย่างเป็นทางการโดยผลจะเป็นอย่างไรนั้นก็อย่างที่เห็นแล้วครับก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เดา ว, ว่าสุดท้ายอเมริกาจีนหรือประเทศไหนก็คงต้องมีการค้าขายกันแหละวิธีการตรงนี้ก็เหมือนเป็นเาเรียกว่า ดึงขนนะแข้งสักนิดหนึง่งให้รู้สึกเจ็บเจบสะดุ้งสะดุ้งนิดหนึง่งไม่งั้นเดี๋ยวจีนจะเขาเรียกว่าพังอ่ะจนมากเกินไปนะครับก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับสอสเดือนก่อนเนี่ยก็มีข่าวที่เราเนาทเอทามออกมาประกาศว่าจะแบนหัวเว่ซึ่งตอนนั้นก็แบนทั้ง Google แบนทั้ง Intel ลหัวเวก็ออกมาตอบโต้ ว, ว่าไม่กลัวเพราะของที่คุณจะผลิตเอ่อซีพคุณก็ต้องเอาอะเล็กแร่ธาตุจากเมืองจีนกลับไปรวมถึง อยากแบนแบนไปเดี๋ยวฉันจะทำโ OS ใหม่ออกมาชนซึ่งล่าสุดนะครับหัวเวยก็มี OS ของตัวเองเริ่มออกมาโปรโมทแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าสุดท้ายถ้าสหรัฐไม่ยอมเลิกแบนสุดท้ายสหรัฐอาจจะกลายเป็นผู้แพ้ในสงครามทางเศรษฐกิจครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับปัจจุบันการทําสงครามเราไม่ได้ใช้วิธีการยิงตุ้มต้าเหมือนสมัยก่อนแล้วมันใช้เรื่องของเทคโนโลยียเช่นการบอมทำแฮ็กข้อมูลการทํำมาว์แวร์ รวมถึงแม้กระทั่งอย่างที่บอกก็คือใช้สงครามทางการค้านะฮะบีบด้วยเทคโนโลยีบีบด้วยเรื่องของการค้าขายสุดท้ายใครจะเป็นผู้แพ้ใครเป็นผู้ชนะก็ต้องรอติดตามกันนะครับ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 ที่การเปิดตัวมาตรการมาตรฐานการเชื่อมต่อ DisplayPort 2.0 รองรับความละเอียดสูงสุด 16K นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้มีคนใช้ DisplayPort กันเยอะไหมนะครับชื่อว่าส่วนมากคงใช้เป็น HDMI มากกว่าไม่ก็ VGA หรือว่า DVI แต่ล่าสุดนะครับมีการเปิดตัวมาตรฐานใหม่ล่าสุดของ DisplayPort แล้วก็คือ DisplayPort 2.0 สามารถรองรับความละเอียดสูงสุดได้ถึง 15,360 นะครับูณ 8,460 หรือ 16K อันนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 5 9หรือ2ปีที่แล้วทางสมาคม v i ดีโอ l e เล็กท i c s ิกส์ส a ต d a s ร OCIATION หรือว่า Visa ได้ประกาศเปิดตัวมาตรฐาน DisplayPort ห4 a ที่รองรับแบตวิตได้ถึง 25.9 กิกะบิตเปอร์เซกนะครับแต่หลังอัปเดตเป็น DisplayPort 2.0 ก็เพิ่มเป็น 77.4 กิกะบิตเปอร์เซกนะครับดีเกือบขึ้นดีขึ้นเกือบ3เท่าเมื่อแบตวิตกว้างขึ้นทำให้ DisplayPort 2.0 ที่ต่อจอภาพจอเดียวเนี่ยและใช้วิธีบีบข้อมูลแบบใหม่อย่าง Display Steam c o m p l e x ซชัหรือว่า DSP จะสามารถรองรับความละเอียด 16K ที่อัตราการรีเฟรช หกส z พร้อมความเข้มข้นของชั้นสีแบบ4ต่อ4ต่อ4กับความ PP, ละเอียดสี30 b p p แล้วก็ h d r 1 0หากเป็น8 k ก็รองรับอัตราการรีเฟรชที่ 120Hz ส่วน4 k ก็รองรับที่ 144Hz นะฮะแต่หากมีการซิงแบบไม่มีการบีบอัดเลย ความละเอียดก็จะลดลงไปตามลำดับนะตามสภาพนะครับทั้งนี้นะครับ DisplayPort จะใช้ช่องต่อ DisplayPort แบบเดิมรวมไปถึงช่องพอร์ตแบบ USB Type-C และ t h u n d e r b อร์3ส่วนประกอบที่จะมาพร้อมช่องเสียบดิสเพลย์พอร์0สนเลยนะทางว i s a คาดการว่าอาจมีการเปิดตัวภายในปี2020หรือว่าปีหน้าเร็วๆนี้เลยนะครับ รายละเอียดของ DisplayPort 2.0 กับการรองรับอื่นๆมีอะไรบ้างคือต่อจอเดียวนะช่อง 16K อัตรา refresh 60Hz 30 bpp 4:4:4 HDR เป็น DSP 1ช่องได้ 10K นะฮะก็จะอยู่ความละเอียดที่ 1,240 ณ 4,320 อัตรา refresh a e นะฮะ 60Hz แล้วก็24 bpp 4:4:4 ไม่มี d p s นะครับ แต่ถ้าจะต่อ2จอ Dual Display ก็2ช่อง 8K จะไกลเป็นห่านขึ้นคือ 76,080 8 76, 000, คูณ 4,320 นะครับลดลง3ช่องก็ลดลงไปอีกเนะี่ยคุยง่ายว่า ยิ่งต่อเพิ่มก็ยิ่งหลดนะครับเรื่องของเทคโนโลีการต่อจอภาพเนี่ยดูเหมือนหลายคนอาจจะมองข้ามแต่จริงแล้วมันก็เป็นส่วนที่ช่วยทำให้การพรีเซนต์การทำงานเรามันดูดีขึ้นเนาะจริงๆไม่ได้โกหกนะเรื่องนี้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 เป็นความเข้าใจแต่งเติมความหมายด้วยกันคอยถึงวันที่หวังก่อนที่ฉันจะได้พบความสุขดีอย่างที่ฉันฝันไว้ทุกวันเธอก็พลันมาจากฉัน ลงไปกับตาเหลือเพียงใจที่ว่างเปล่ากับฉันคนเดียวเท่านั้นไม่เหลืออะไรเลยจากที่เคยมีความใฝ่ฝันใครกำลังจะสร้าง กับตาเหลือเพียงใจที่ว่างเปล่า รู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไฟให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เมมาที่ข่าว NIA นะครับจับมือ DITP ผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่อาเซียนนะครับติวเข้มพิช h ิ n ง ต่อยอดระดมทุนในเวที Startup ั h a i l a n d 2019นะครับสำนัก ง, งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA ร่วมกับกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA เล่งผลักดัน Startup ัพไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นการบริการและการท่องเที่ยวสุขภาพและการแพทย์เพื่อให้ก้าวสู่ตลาดสากลต่างประเทศนะฮะอย่างไรก็ตาม ปัญหาของสตาร์ทอัพไทยในการออกตลาดต่างประเทศคือการพิชชิ่ง n อ a จึงร่วมกับ NEA ดําเดำเนินโครงการ Pitching to s u c c e s นะครับสารฝันสตาร์ทอัพสู่สากลผลักดันผู้ที่เข้าร่วมโครงการไปสู่เวทีพิชชิ่งระดับนานชาชาติซึ่งสตาร์ทอัพไทยแลนด์2019ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ เป็นคำกล่าวจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะฮะกล่าวว่ากรมมีนโยบายการสร้างกลไกลการพัฒนาสตาร์ทอัพไทยให้สามารถเติบโตนในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนเนื่องจากมีประชากรสูงถึง600ล้านราย โดยตลาดที่น่าสนใจในการขยายธุรกิจสตาร์ทอัพก็คือประเทศอินโดนีเซียที่มีประชากรสูงถึง250ล้านคนรวมถึง CLMV นะฮะกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามสามารถผลักดันให้ธุรกิจดังกล่าวเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยการอาศัยความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคนะฮะที่มีความคล้ายคลึงกับคนไทยโดยเฉพาะในด้านการบริการและการอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นบริการ ด้านการขนส่งและการเดินทางบริการด้านการเงินธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจบันเทิงบริการด้านการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะครับ มาที่คำเกล่าวหรือคําสัมภาษณ์ของผู้มีการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการขายุคใหม่เก่าวว่าภายใต้นโยบายส่งเสริมสตาร์ทอัพของรัฐบาลนะครับ NEA ไม่เพียงแต่จะสนับสนุนด้านองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติการเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวเนี่ยเติบโตได้อย่างเต็มที่ทั้งด้วยการสนับสนุนเรื่องของระดมทุน การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยและเทคโนโลยีการต่อ ย, ยอดสู่เวทีต่างๆซึ่งที่สามารถผลักดันให้สตาร์ทอัพก้าวสู่ระดับสูงขึ้นนะครับก็ อันนี้ก็เป็นข่าวที่เขาเปิดตัวมาถือว่าเป็นข่าวดีๆนะฮะด้าน NIA เขาบอกว่าปัจจุบัน NIA มีสตาร์ทอัพที่ร่วมพัฒนาภายใต้โปรแกรมสตาร์ทอัพไทยแลนดประมาณเกือบ 2,000 รายอย่างไรก็ตามสตาร์ทอัพไทยจำนวนน้อยที่มีโมเดลธุลร ก, กิจที่มีความเป็นนานาชาติหรืออินเตอร์ทั้งนี้ในระยะแรก NIA ก็จะชวน ชวนเชิญเชิญชว น, ชว น, ชว น, ชวนสตาร์ทอัพต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนและทธุร ก, กิจในไทยซึ่ง NIA อจะอำนวยความสะดวกด้วยการจัดตั้งบริษัทและพื้นที่การดาเนินการนะครับสำหรับงานนี้ก็กำลังจะมีเกิดขึ้นเร็วๆนี้ยังไงก็รอแล้วกันว่ามีอะไรบ้างครับศูนย์นวัตกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลธัญบุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 The. รายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไลให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM แบเก้าจุดหเมกะ h มาปิดท้ายกับบทสัมภาษณ์คุณธนวัฒน์สุธรรมพันธ์นะครับวิเคราะห์สจุดแข็งไมโครซอฟตประเทศไทยกับกลยุทธ์ Good to Great นะ การตัดสินใจเข้าร่วมงานกับ Microsoft ในเดือนมิถุนายนปี2560ของคุณธนาวัตรสุธรรมพันธ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Microsoft ประเทศไทยหลังจากทำงานด้านวงการไออุตสาหกรรมการเงิน IBM สิงคโปร์และฮิวเ t t ตแพคกาประเทศไทย และล่าสุดก็คือเก้าอี้เอ็มดีไมโครประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะทํางานที่ไหนหลักการในการทํางานร่วมกับคนอื่นของคุณชนวัตก็คือการกระตุ้นให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าที่จะไม่เห็นด้วยเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ผู้บริหารที่สั่งงานจากบนลงล่างขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการฟังข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านแล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขหรือพัฒนาต่อยอดนะครับเขากล่าวว่า Thailand เ, เขาก่อกับฟ Thailand ว่าผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ไทยอยู่ภายใต้4 Solu หลักก็คือ1 Modern w o r k place ช่วยให้พนักงานทํางานได้ทุกที่และทุกอุปกรณ์มีผลิตภัณฑ์เช่น Microsoft Office Microsoft One Drive Microsoft OneNote และก็ Microsoft ทีมนะครับสอง Business a p p พลิเคชันช่วยจัดการด้านการเงินการขายการสรรหาบุคลากรและคอเซ็นเตอร์สา p แอปพลิเคชันแ n นด์อินฟรา u ตรัเเช่น Cloud ที่มี Data Center ทุกภูมิภาคซึ่งล่าสุดนะครับมีมัลโ o ซอฟแอช r e Stack ในรูปแบบ Hybrid Cloud ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและใช้งานแอ p พลิเคชันได้ทั้งบน Cloud แล้วก็ระบบองค์กรแล้วก็สุดสุดท้ายก็คือ AI and Data เช่น AI ใน Microsoft Azure นะครับสิ่งที่เรามีและคนอื่นยังไม่เท่าเราก็คือการก็คือข้อมูลและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าสองอย่างนี้ทำให้เราจะหาบริการและผลิตผลภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมากกว่านะครับสิ่งนี้เป็นจุดแข่งของ Microsoft ซึ่งก็ต้องเน้นสี่โซลูชันคู่กันไปเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกันไปแบบไม่สามารถแยกออกมาได้อันนี้คุณธนวัตรกล่าวไว้นะครับ แม้จะเริ่มงานในแผนกบัญชี IBM เป็นเซลล์ด้านไฟแนนซ์เข้าร่วมงานด้านการเงินหลังจากจบ MBA ที่ c a l i f อร์ i a ีย a t e University ซิสหรัฐอเมริกาก็เข้าร่วมงานกับ IBM อีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้ทีค่คุ้นเคยกับองค์กรและมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมการเงินนะครับก็อันนี้เป็นคำสัมภาษณ์สั้นๆนะครับที่พี่มิงไปดึงมาจากเว็บไซต์ของ s ัตต h อัพเฮลแนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนในการที่จะคิดต่อยอด ว่าคนดังๆในเมืองไทยตอนนี้เขาทาอะไรกันบ้าง น, นะครับอะดูจากเวลาตอนนี้น่าจะหมดลงแล้วนะครับเวลาของสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วไว้เจอกับพี่มิ้งใหม่นะครับวันจันทร์ขันหน้าส่วนจันทร์ขันนี้ก็มากันจัดเต็มจริงจริงนะก็มีวันหยุดด้วยก็น่าจะชิวๆกันนิดหนึงแต่สัปดาห์หน้าเราลุยงานกันเต็มที่นะครับก่อนที่จะ ไปเจออีกหลายรายงานในควอเตอร์ที่3นะครับส่วนคอามมาัดครั้งที่ผ่านมาก็ประสบความสเร็จด้วยดีก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วไว้เจอกับพี่มิงใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทาง f m 89.5 วิทยุราชมงคลทัญบุรี จับมือกับเธอจับมือกับเธอสักครั้งจับมือให้ฉันไม่ขไม่ควางและไม่เ ป, เปลี่ยวเกินไปอยากจะบ